ปี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดเรื่องที่เกี่ยวกับกิเลสประเภทที่เรียกว่าสังโยช์มาโดยลำดับเป็นข้อปฏิบัติที่ทรงสั่งสอนผู้ปฏิบัติให้สังเกตดูจิตตัวเองเวลาประสบอารมณ์จากข้างนอก การเห็นรูปโดยตาเป็นต้นว่าในแต่ละขณะนั้นมีสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงจะมองเห็นโทษของสังโยชน์แต่ละข้อว่าสิ่งเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายเป็นมนทรินเป็นสนิมตลอดต้องเป็นผู้ฆ่าผู้ทำลาย และผู้ปฏิบัติพยายามที่จะลดละความรุนแรงของสังโยชน์เหล่านั้นจนถึงก็พยายามให้ดับไปได้ในแต่ละขณะซึ่งการเกิดนั้นที่จริงไม่ได้เกิดตามลําดับที่เรียงโดยการเรียงเป็นการเรียงตามลําดับของสังโยชน์ที่พระริยาบุคคลในแต่ละดับกละได้ เพือสังเกตว่าการกำหนดความเป็นพระริยบุคคลทั้งกำหนดด้วยการละสังโยชน์ได้มากน้อยแตกต่างกันสังโยชน์ที่กล่าวมาจนถึงระดับที่9นั้นก็กลายเป็นเกณฑ์เป็นมาตรเครื่องบัดจิตใจของพระริยบุคคลสามข้อแรก คือความเห็นเป็นเหตดถือตัวถือตนมีตัวมีตน ม, มีเรามีเขามีพวกเราผูกเขาจึงสืบเนื่องมาจากความไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงก่อเกิดการกระทําไปด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความถือตัวเป็นต้น เดวน่าจะแบง่งฝ่ายรบกันหรือว่ารบกันไปสศึกสงครามที่จริงก็สืบเพื่อมาจากส ก, กายทิยติคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมี ต, มตนพิจิตรช้าวความเครื่อนแครงสงสัยไม่แน่ใจต่สินใจลงไปไม่ได้มีความลังเลในคุณพระพุทธเจ้าประธรรมพระสงฆ์แในเรื่องของใจสิกขาเมื่อเกิดมีความเคลแคลงสงสัยไม่แน่ใจ ทั้งระดับของการศึกษาทั้งระดับของการคิดทังระดับของการประพฤติปฏิบัติจะเป็นไปในลักษณะไม่มั่นคงอ่านไปอ่านมาเกิดสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงหรือไม่จริงก็หยุดละเด๋ยคิดไปคิดมานี่จริงหรือไม่จริงในสุดก็เลิกคิดไปปฏิบัติไปก็คิดว่าถูกหรือไม่ถูก ควปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติข้อปฏิบัตินี้เป็นสัจธรรมจริงหรือไม่เป็นต้นแต่ละ อ, อย่างเนี่ยกอให้เกิดอาการชะงักงันทั้งหมดพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มองความเครือข่ายสงสัยว่าเหมือนมีเหมนปลายทางมีเสือเสือโคร่งรออยู่หรือการเดินทางไปสู่ถิ่นทีิศุระกันดานหรือการเดินทางไปตามขวางหนามหลุมบ่อต่างๆ อันตรายนั้นมากมายเลยคือเราสังเกตว่าอะไรก็ตามถ้าเราไม่มั่นใจเราเครียดแครงสงสัยไม่แน่ใจทุกเรื่องมันจะยุ่งไปหมดแม้แต่บางทีรับประทานอยาไปแล้วอีแน่ใจวรับประทานถูกต้องหรือไม่หรือเรือประทานยาผิดเป็นต้นจิตใจเพราะสูญเสียความสงบแล้วเพราะตนี้จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ เขาเป็นโมหะที่แรงทำให้คนไม่สามารถก้าวไปสู่ทิศทางที่ตนต้องการได้และการถือมั่นโดยศีลโด ว, วัตรโดยข้อปฏิบัติที่เข้าใจกันว่าครั้งศักดิ์สิทธิซ์ซึงบางครั้งแม้จะเป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเกิดความยึดถือจนถึงปฏิเสธวิธีทางอื่น ซึ่งุู้เจ้าทรงแสดงไว้เป็นอเนกกระปรยายก็กลายเป็นศีลับประปรามาสเช่นเดียวกันกิเลทั้งสประการนี้พระยะบุคคลระดับโสดาบันทันละได้เป็นการละได้ที่เรียกว่าเด็ดขาดพึงสังเกตว่าการละกิเลสของเรานั้นมันมีลักษณะคล้ายๆกับการรักษาโรคกิเลสก็เหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นกับร่างกาย โรคบางอย่างนั้นรักษาหายไปเลยแต้ตลอดชีวิตไม่เคยเกิดโรคนั้นขึ้นมาอีกแต่บางครั้งมันหายไม่ขาดเรียกว่ากาเริบขึ้นมาได้อาจจะมีเงื่อนไขปัจจัยจากภายนอกหรือเกิด ข, ขึ้นจากภายในหรือเกิดขึ้นทั้งสองด้านอาการโรคหม่นั้นกาเริบขึ้นมาและอาจจะแรงกว่าเดิมหรืออาจจะตายเพราะโรคนั้นก็ได้ กิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจเรามันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางอย่างมันก็ลักขาดไปเลยท่านเรียกว่าอากุปธรรมคือไม่กำเริบอีกไม่ว่าไปเจออารมณ์รุนแรงอย่างไรก็ตามที่สรรเสริญคุณพระอรหันต์ว่าไกลคือไกลจากอำนาจของกิเลสทั้งหลาย ที่จริงพระหาตถ์เหล่านั้นก็อยู่ท่ามกลางอารมณ์มีรูปเสียงกลินรสสัมผัสที่น่าใคลายน่าปรารถนาน่าพอใจของชาวโลกเพียงแต่ว่าใจท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ให้ปรารถนาให้พอใจเท่านั้นพ่านถึงแม้จะอยู่ใกล้ ย, ย่างไรก็เหมือนกับอยู่ใกลเพราะใจจะไม่เกี่ยวเกาะจะไม่กำหนัดจะไม่ขาดเคืองจะไม่หลุมหลงจะไม่มัวเมาในอารมณ์หลักนั้นตานองโรคที่รักษาขาด กาละ ก, กิเลสในแนวนี้ถ้าอุปมาให้ชัดเนี่ยมันก็เหมือนกับศิลาที่แตกทั้ต่อไม่ได้หรือเหมือ น, อนคนหัวขาดมีชีวิตต่อไปไม่ได้แล้วหรือเหมือนต้นม้นพร้าวต้นตาลต้นหมากที่ถูกตัดยอดแล้วไม่มีทางเจริญเ ต, ต, ติบโตอีกการกิเลสที่ถูกตัดไปจะมีลักษณะอย่างนั้นสําหรับระยบุคคล การหูุดพ้นอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่ากําเริบได้จะเปลี่ยนแปลงได้คล้ายๆกับโรคที่หายแล้วแล้วก็เกิดขึ้นมาได้อีกเป็นการดลดักของปุตุชนทั้งหลายซึ่งมีกำลังในการลดละแตกต่างกันถึงสังเกตดูจิตใจของแต่ละท่านก็จะพบความจริงว่าบางครั้งเราก็ไม่มีสั ก, กยติจิตหรือไม่ถือตัวถือตนอะไร ความนองคล้ายๆกับปล่อยวางไม่มีมานะยังไงก็ได้อยู่ยังไงก็ได้นั่งยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้ไปยังไงก็ได้ือไม่ได้ถือตัวถือตนอะไรว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้แต่บางครั้งมก็ทำไม่ได้แสดงว่าความเปลี g g so so anyway? wave, too, home, ่ยนแปลงเหล่านั้นมันกำเริบได้มันเปลี่ยนแปลงได้ความรู้แรงสงสัยเป็นอันมากที่เราไม่สงสัยแต่มีเป็นอันมากที่เราสงสัย แต่บางจุดแม้แต่ที่เราไม่สงสัยแล้วแต่ต่อมามีเงื่อนไขอะไรเกิดขึ้นที่สมมวิปัจจุบันเราว่ามีข้อมูลใหม่เราอาจจะเครื่องแรงสงสัยขึ้นมาก็ได้แสดงว่าเป็นการหลุดพ้นจากอำมาจ ก, กิเลสเหมือนกันแต่กำเริบได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่นอนอะไรเพื่ให้ความมั่นใจอะไรไม่ได้ เพราะว่าสภาพจิตนั้นมีความสำคัญมากคนเราที่ช่วยเจทีดีเจตโทษนั้นก็ขึ้นอยู่สภาพจิตในแต่ละขณะแต่พระสภาพจิตดีมีศีลมีกัญยาณธรรมควบคุมไว้มวันก็รักษาตัวไว้รอดปลอดภัยได้บางครั้งสภาพจิตถูกครอบงำเริ่มหนักขึ้นกิเลสหรือว่ามีปริมาณของกิเลสดูมาก แต่ถ้ามีตัวกระแทกกระทานจากข้างนอกกิเลกกิเลสตรง น, นั้นก็กำเริบขึ้นแล้วอาจจะอาจจะทำอาจจะพูดรุนแรงออกไปจนกลายผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายก็ได้แสดงเมื่อความเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่คงที่ยังไม่มั่นคงพราฐการปฏิบัติธรรมะถ้าเราจะเปรียนแต่เรื่องอืง่นๆมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันเช่นว่าปรุงอาหารแล้วมันก็ต้องชิมดูรดเรื่อยๆไป จะต้องเติมอะไรลงไปจะต้องตัดอะไรก็พยายามที่จะที่สุดทดสอบไปเรื่อยจนกว่าจะได้รถตาติไปเราต้องการการจะถูพื้นการจะซักผ้าการจะขัดผ้าชนะแล้วก็มีการตรวจสอบอยู่ตัวเองอยู่ตลอดสะอาดได้ยังซักผ้าซักผ้าสะอาดได้ยังขัดผ้าชนะสะอาดได้อย่างมันก็ต้องดูด้วยตัวเองขัดไปก็ดูไป จนกว่าจะแน่ใจใดูรอบด้านแล้วเรียบร้อยเราก็หยุดการขัดในพระเะเหล่านั้นมันก็ทำนองกับจิตเราคือกำเริบได้เปลี่ยนแปลงได้ในช่วงที่ส ง, สงบสะอาด จ, จูมันก็ได้แต่บางครั้งมันก็เอาไม่จูการสรวจสอบจิตมันก็ตรวสอบกันแนวนี้ศีลพัฒประมาทเองคือการถือมั่นในเรื่องต่างๆ เราจะเห็นว่ามันเป็นอาการของโมหะเป็นอาการของโลภะและปฏิเสธอย่างอื่นก็เป็นอาการของโทสะทั้งหมดนี้จริงๆแล้วเป็นอาการของโมหะพยายามที่บอกว่ากิเลสที่จริงเขาถึงกันมันเหมือนกับความแก่ความเกิดความแก่ความตายท้าเห็นว่าจริงๆมันปรากฏพร้อมกันเกิดปั๊บแก่ปุ๊บตายปั๊บเป็นกัน แต่เป็นมรณะในแต่ละขณะเขาเรียกคณิกะมรณะคือตายไปในแต่ละขณะหายใจเข้าจะออกมันก็ตายแต่ละขณะในความแก่มันเกิดขึ้นในแต่ละขณะเพราะมันก็ปนปนกันอยู่ระหว่างเกิดแก่ตายเพียงแต่ว่าอาการตรงไหนที่เด่นชัดมากเราก็พูดถึงอาการช่วงนั้นเราพูดถึงช่วงแก่ช่วงเจ็บซึ่งอาการมันชัด ท, ทั้งๆที่มันตายอยู่ทุกขณะแล้วมันเกิดอยู่ทุกขณะด้วยโดยคล้ายกับพวกเซนทั้งหลายในร่างกายมีเกิดมีดับส่วน ต, าตาว่างๆของร่างกายก็มีเกิดมีดับตลกลงว่ากระบวนการธรรมชาติทั้งหมดที่ยังก็ปนกันอยู่คือเกิดแก่ตายเกิดแก่เจ็บตายบางกิเลสทั้งๆพวกโกกรคปวดโสมก็มีแนว น, นั้นคือปนกันอยู่เพียแต่ว่าอาการอะไรเด่นชัดในขณะนั้นเราก็พูดถึงอาการเหล่านั้น ให้บุญลองสังเกตว่าเป็นการมาตัณหาคือตัณหาสามตัณหาเนี่ยอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากไม่ได้อยากไม่เป็นที่จริงมันก็แฝงกันดูในขณะที่เราอยากได้นั้นเราก็อยากเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นด้วยแต่ในขณะเดีวยวกันพอเปรียบเทียบอย่างอื่นเช่นเราได้มาแล้วมันมีของที่ดีกว่า ใจมันก็แหว่งไปหาอีกอันหนึ่งอยากจะเปรียตก็แสดงว่ามันเกิดวิภาวะตัณหาในของที่เราได้แต่เกิดเป็นกามาตัณหาภาวะตัณหาในของที่เรากำมองมองเห็นอยู่แติวตีตังว่าได้ของนั้นมาอีกมันก็เจอของที่ดีกว่าวิวาตหาไม่เกาะอีกอันหนึ่งอีกใจมันก็วิ่งวิ่งไปด้วยกระแสของตัณหาที่ท้งใช้ภาพ ภาพของคนที่สูญเสียการทรงตัวว่าถูกตันหามันผลักไสไปเสือกใส่ผลักใส่ภาพที่เราเห็นไนดะ้ชัดว่าคนใครก็ตามที่ถูกเสือกใส่ผลักใส่มันจะสูญเสียการส่งตัวก็แล้วแต่ก็ผลักแรงหรือผักไม่แรงแต่เราก็จะหมดความเป็นตัวของตัวเองจะน้อยก็ระดับหนึ่ง จากนั้นพวกพว ก, กิเลสที่จริงแล้วเขาก็มาจากโลกปวดงทั้งนั้นการพูดทั้องหมดจึงเป็นการพูดถึงอาการที่ปรากฏออกมาในระดับต่างๆซึ่งอาการทั้งสามนี้อาจจะออกมาทางกายทางวิจา ก, ก็ได้แต่ตอนนี้เรินมพูดระดับใจประการต่อไปนั้นพระสกีตาคามี ท่านก็ละได้ครบ๕สามอย่างนี้เหมือนกันเพี่ยงแต่ว่าลดราคาโทสะโมหะลงไปกว่าเดิมถามว่าลดลงไปขนาดไหนมันค่อนข้างแปลกคือคล้ายๆกับแฝงอยู่อาการลดละกิเลส ข, ของท่านก็ไม่ชัดเหมือนกับระโสดาบันพระจักณะพระนาคามีพระอระหันต์ท่านบอกว่าทำราค่าโทสะโมหะให้เบาลงตัวอย่างในส่วนที่เป็นบุคคลเองเราก็เจอน้อย แต่จการสังเกตที่พบมาปรากฏว่าพระระดับพระสกทาคามีนั้นไม่มีคู่ครองก็แสดงว่าการมราคะจางไปถึงจุดที่ไม่ยินดีในการมีคู่ครองแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค า, ารวัตก็คงอยู่ครอบครองบ้านครอบครองเรือนแต่ไม่ประกอบกิจอย่างชาวบ้าน ทำนองใกล้ๆนักบวชอยู่ภายในบ้านหรือใล้ๆคนรักษาศีลูรสุดรักษาศีแลแปดในที่บ้านแล้วก็อยู่มีมีครอบครัวอะไรแต่ว่าก็อยู่ในฐานะของผู้รักษาศีลสังโยชน์อีกสองประการคือการมราคาจิตที่เหนียวนึกสึกนึกด้วยอำนาจความใคร่ในอารมณ์ที่น่าใคร่ก็เป็นเรื่องระดับความคิด ไม่จะแสดงออกมาทางการกระทำหรือทางคำพูดแต่จิตใจจะมีความกำนัดเพลเพลิ น, นินดีอยาาบ้างกลางบ้า ง, างละเอียดบ้างแต่ก็อยู่ภายในซึ่งจะเห็นว่าถ้ามันแรงท่านก็เรียกว่า น, นิวร์คือกามฉันทะ น, นิวรนแต่แตอนนี้พูดในระดับที่ละเอียดลงไปก็เรียกว่าการมระคาัปตัหมายความว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ย แต่เป็นสามัญชนก็คงคุมเฉพาะอยู่ในใจไม่ได้แต่ก็ออกมาข้างนอกหมายความว่ามีตัวกระตุ้นระดับเดียวกันนั้นสามัญชนจะคุมใจไว้ไม่ได้แต่ว่าพระยาบุคคลท่านคุมได้พอมาถึงพระนาคามีนั้นท่านตัดได้พระนาคามีจึงเป็นรูปของคารวาสมาณีคือนักบวชผู้ครองเรือนเขาอยู่ที่บ้านมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีัต่ เรียกว่ามีแก่พุทธบริษัททุกฝ่ายแต่ว่าทัณหกิเลสตรงนี้ได้เด็นขาดอารมณ์ตั้งหลายที่ผ่านมาก็ผ่องผ่านเพียงแต่ว่ากิเลสเป็นได้กําหนดด้วยความกําหนัดไม่มีความกําหนัด ก, ก็ไม่เกิดขึ้นก็นี่เป็สังเกตคล้ายๆกับคนที่มาด่าเราหรือมายกย่องเราด้วยภาษาสี่เราไม่รู้จักเราจะไม่มีตั้งความยินดียินร้าย ตนนี้ไม่มีเพราะอะไรเพราะไม่รู้แต่ว่าพระนาคามีนั้นที่ไม่มีเพราะรู้เป็นอาการคนละอย่างกันแต่ว่าก็สามารถาที่จะอธิบายกันได้แต่ความไม่ยินดียินร้ายนั้นบางครั้งมันเกิดขึ้นเพราะรู้บางครั้งนี่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้ซึ่งก็มีทั้งสองอย่าง เต่อสมมตนว่ามีอาหารมีขนมอะไรอย่างดีมากแต่เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ได้กลิ่นได้รสเลยไม่เคยเห็นรูปไม่เคยได้กลิ่นไม่เคยลิ้มรสมาเลยเราไม่รู้เป็นอะไรเราก็ไม่อยากได้การไม่อยากได้ตรงนั้นไม่ใช่หมายความไม่มีตัณหาไม่มีระไม่มีโลภแต่ว่าเพราะเราไม่รู้คือเมียวิชาอยู่ แล้วอีกทีหนึ่งนะฮะคล้ายๆกับมีอัญมณีเป็นอันมากแต่มันวางอยู่ในชีบมืดแต่เราก็ไม่เห็นถามว่าเราอยากได้มันไม่อยากทําไมจงไม่อยากเพราะไม่เห็นมันแต่ทีนี้ถ้าไฟสว่างเต็มที่เนี่ยเราก็เห็นเราเกิดความอยากในในขณะเดียวกันเท่าอาจว่า ที่เจอคนมีคุณธรรมมีศีลธรรมสูงแล้วก็ละกิเลส ต, ตรงนี้ได้แล้วถึงเห็นนั่น ก, ก็ไม่อยากแสดงความไม่อยากตรงนี้มันเกิดจากความรู้ซึ่งเมื่อเกิดแล้วทําลายกิเลสออกไปได้ต่อเลยก็เกิดกได้ทั้งสองดังอภิชาที่บื้อตูวจรงิจรงๆก็มีความไม่อยากเหมือนกันในปางเรื่องแต่ไม่อยากเพราะความไม่รู้ ช่วยตัเองไม่ได้นะฮป้องกันภัยอันตรายไม่ได้สังโยชนประเภทที่เรียกว่าปฏิฆะเป็นความไม่พอใจเป็นอาการทางใจที่เกิดไม่พอใจไม่ยินดีในอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบพระอนาคามีทันละได้เด็ดขาดเพราะค น, นระดับพระอนาคามีฆ่าให้ตายก็ไม่โกรธเอาสมบัติทั้งแผ่นดินมาล่อ ก, ก็ไม่โลภ นั้นแสดงให้เห็นหนึงเป็นการตัดขาดจริงๆแต่ว่าการเอาทรัพย์สินเงินทองต้นอุปมาเหมือนเอาสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิมาให้แก่พระโสดาบันให้ปฏิเสธพระรัตนตรัยนท่านก็ไม่เอาแสดงว่าพระโสดาบันเองกลละความโลภออกไปได้มากแต่ไม่ใช่หมดคือยังมีความโลภอยู่เพียงแต่ว่าความโลภถูกควบคุมไว้ ไม่ถึงก็ทำผิดเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวต้องการเพรา ะ, ะนันท่านจึงพูกว่าศีลท่านสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณคือคุ้มครองตัวได้ระดับหนึ่งเพราะวัานอนาคามีจึงเป็นอนาคามีแปลว่าผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วท่านสายชนทั้งหลายจะเห็นว่ า, าผลของการละกิเลสเนี่ย ถ้าไม่ชื่อบุคคลเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยอำนาจมรคลและมรคลนั้นเองก็บ่งบอกสภาพจิตสภาพชีวิตสภาพสังสารวัต ส, สภาพกิเลสกรรมวิบากของท่นานมันก็ย้อนกลับมาสู่กฎของปัจจัยการคือปฏิจจสมุปบาทถ้าเราเห็นว่าแสดงตัวหลักใหญ่ก็คือกิเลส ก, กรรมไ ป, ปเป็นเหตุมุ่นบนหรือว่าเป็นเหตุที่ ให้เรายุติการมุนบนในทางศาสร์ปวัติก็อยู่ที่ ก, กิเลสกับพระโสดาบันท่านแปลว่าพูดถึงกระแสโสตะก็คือกระแสมาปนนานะก็คือถึงเป็ น, นผูน้ถึงกระแสกระแสอะไรกระแสนิพพานจำลองคล้ายๆกับคนที่ว่ายอยู่ในกระแสน้ําแล้วก็ปีนป่ายขึ้นไปยืนอยู่บนฝั่งได้ กรดาบานเองก็มีลักษณะอย่งางคือปลอดภัยจากน้ำนะปลอดภัยเฉพาะสัตว์ ร, ร้ายทั้งหลายในน้ำแต่เป็นการถึงฝั่งหรือถึงกระแสของปฏิพานกิเลสลดน้อยบาบางลงไปกรรมก็ยังมีอยู่กิเลสก็ยังมีอยู่แต่ลดน้อยบาบางลงไปพบเจ้าก็ะปริภูดช่วงระยะเวลาหมุนบวนในสังสารวัฏก็โคตรสร้างข่าว ในตอนนั้เกตมีสามตัวที่สัมพันธ์กันกิเลสลดลงกามชั่วลดลงสังสารวัตรอดสั้นครับเพราสังสารวัตรที่จริงไม่มีไม่มีเครื่องกําหนดหมายว่าคนเราจะต้องหมุนวนในสังสารวัตรเท่าไหร่แต่พอมาถึงจุดนี้ปรากฏว่ากําหนดได้ท่านจะเกิดในสังสารวัตรอีกไม่เกินเจชาติแต่ว่ปิดประตูนรกได้ ตอนถ้าจะเกิดมันก็เกิดเครียกเดวะเสสเดวะมนุษยเสสุสังสารโตท่องเที่ยวอยู่ในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากมากเกศชาติอย่างน้อยหนึ่งชาติคือตายอีกชาติหนึ่งเช่นายกรเป็นพระอุปราบันแล้วก็ตายจากนายกรในวเัเกิดอีกชาติเนึ่งตัวบรณฑุมกผลเป็นพระหันเป็นเลย เป็นพระโสดาบันประเภทที่เรียกว่าอุกฤตมากคือว่าละกิเลสได้ละเอียดลึกซึ้งตำนองใกล้ๆกับนักศึกษาทำหน่วยกิจหรือปัญญาตรีไปจอะข้าวปัญญาโทไปหลายหน่วยกิจไปต่อปัญญาโทไม่ทลายก็จบเป็นการยกสภาพจิตขึ้นสูงพรานกนจึงแบ่งไว้เป็นสามประเภทฟาประเภทก็บอก มอกลักษณะสังสารวัตรไอ้ะสะท้นเห็นกรรมกับ ก, รรกิเลสของท่านประเภทแรกเราเรี ย, ร ก, รยกว่าเอ ก, กพิชีคือจะมีพืชอีกครั้งเดียวมความเกิดอีกครั้งเดียวแสดงเห็นว่า ก, รร ก, รรกิเลสน้อยบาบางลงไปมากกรรมที่เป็นบาปไดหมดสิ้นไปมากโหดสังสารวัตรเหลืออีกชาติเดียวแต่นั่นเองพอา ช่วงที่สามกาโกลังโกละคือจากชาติหนึ่งจากจากชาติหนึ่งไปสู่อีกชาติหนึ่งอย่างมากก็ไม่เกินสามชาติแล้วท่านก็จะบรรลุมรรคผลเป็นพระคันถามว่าใครสั่งสอนก็แล้วแต่นะคือท่านยอาจจะไปเกิดเป็นเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์แล้วอาจจะดูอะไรก็ได้ใบไม้ใบเดียวท่านก็ดูบรรลุมรรคผลนี้ผ่านได้ เป็นคนระดับนี้เป็นระดับเรียกว่ามิมีปัสนาญานเดี่ยวภายในใจมองอะไรก็ได้มองต่อพน้ําก็ได้มองก้อนเมฆก็ได้มองสายลมก็ได้แสงแดดก็ได้ใบไม้อะไรก็ได้สามารถจะพิจารณาเขีนไตรลักษ์ได้ตามความจริงเราสังเกตวันนี้ที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามองภาพใกล้ตัวคือไม่ต้องไปยุ่งยากมาะ มองรูปเหมือนก็ฟองน้ํามองเวทนาเหมือนกับต่อมน้ํามองสัญญาเหมือนพยับแดดมองสังขารเหมือนกอกกล้วยมองบินดาลเหมือนภาพมายาเห็นอะไรก็มองในแนวนั้นแต่จะพะบว่าแต่ละอย่างนั้นไม่จริงสักอย่างไม่เทียงแท้ไม่ถาวรไม่ยั่งยืนมีแต่การแปรผันเปลี่ย น, ปยนแปลงเร็วหรือช้าทอนนั้นไม่ว่าจะเป็นฟองน้ําเป็นตอมน้ําเป็นพยับแดดเป็นกอกล้วยหรือเป็นภาพมายา อันทีไม่จริงเลยอย่างภาพมายาเนี่ยมันคือไม่มีอยู่จริงเป็นจิตที่ปรุมขึ้นเท่านั้นโดยคนอ่นก็ปรุมขึ้นเพืหลอกลวงและจิตเราก็สมยอมคล้อยตามเข้าไปแล้วก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระสกีตคามีนั้นแปลว่าผู้มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวคือเกิดอีกครั้งเดียวเราแสดงว่าสู้ประโสูตบันฑประเภแรกไม่ได้ พระนาคามีนั้นพูดว่าผู้ไม่มาสู่โลกนี้แล้วหมายความว่าเมื่อท่านตายไปแล้วจะบังเกิดเป็นพรหมระดับสุดทาวรแต่ว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์มีสังสารวัฏอีกหนึ่งชาติทำไมยิ่งแตกต่างกันทำไมจึงแบ่งพระนาคามีออกไปตั้งห้าระดับ ร, รัตเกีคามีระดับเดียวประโสดาันสามระดับพระนาคามีตั้งห้าระดับตอนนี้ก็เพราะความยิ่งความจอนคือความเข้มข้นของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เคยอธิบายไว้หมายความธรรมะแต่ละข้อนั้นเขามีกำลังของเขาคนที่ศรัทธาแก่กล้า ก็เป็นพระนาคามีระดับหนึ่งวิญญาเกียรก้ากระดับสองสติแกียร้าวระดับสามสมาธิกแก่ยรก้าระดับสี่ปัญญาแกียร้าวระดับห้าเพราะเวลาจะต้องการบรรลุมรควลจริงๆอินทรีย์ต้องเสมอกันไม่ใช่ยิ่งยอนกันขนาดนี้ยิ่งยอนก็ดีแต่การทําให้ยังไม่ได้รับผลสมบูรณ์เพราะถ้ามาถึงกิ่เลยอีกสังโยชน์อีกสามข้อ อีกสี่ข้อคือรูปราคะอรูปราคะรู ป, ปราคะนั้นความกำหนัดในสิ่งที่เป็นรูปธรรมอรูปราคะไ ป, ป, าาปกำหนัดในสิ่งที่เป็นอารูปธรรม ค, คือนามธรรมเช่นสุขความสุขสุขเวทนาต่างๆความสงบความปีติสมาธิอะไรก็ถือว่าเป็นเป็นสุขเวทนาใช่ไหมมันติดทีนี้องค์ธรรมตรงนี้ถ้าเรียนมาอย่างนี้ก็จะอธิบายแคบลง จะเน้นเฉพาะระดับฌานคือรู ป, ปราคะก็หมายถึงรูปฌานที่อาจารย์พระพุทธเจ้าท่านติดอารดาบทการามโคตรุทกดับบรามุทท่านติและท่านก็ไปนิพพานไม่ได้อรู ป, ปราคะก็หมายถึงอรูปฌานหมายความว่าา่าเรียงลําดับมาอยู่อย่างนี้เป็นลําดับที่6ที่7อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของรูปฌปานกับอรูปฌานแต่ถ้าไปวางที่อื่นมีองค์ธรรมเดียว เป็นรูปราคาก็ตามรูปราคาก็าตา ม, ปปาาาตามจะหมายถึงรูปทั่วไปหมายถึงสิ่งทด่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้นด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็ตรึกนึกด้วยใจก็แทนพวกก ร, รมราคะด้วยแทนรู ป, ปราคะด้วยท่านองค์ทำถ้าปรากฏมากแล้วเนี่ยความหมายจะน้อยจะแคบแต่ถ้าปรากฏน้อยเนี่ยความหมายจะกว้าง รอบขอบข่ายเนื้อหานี่จะกว้างเป็นอยู่เพราะว่าบางครั้งสมชายองค์ธรรมเป็นดสองสมข้อแต่ใชาคํข้ามาสัมป่ทาเรียกว่าสมบูรณ์หมายความว่าให้ธรรมะเหล่านั้นสมบูรณ์จะมีศรัทธาสมบูรณ์มีศีลสมบูรณ์มีความเสียสละสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์ก็จบละใช้สมบูรณ์ใช้สามคำสี่คำองค์ธรรมนั้นจะนวดน้อยแต่ปริมาณในการปฏิบัตินั้นจะไปเพิ่มพูนธรรมะเราอื่นขึ้น สังโยชน์เป็นมาศเป็นเครื่องวัดความเป็นพระยะบุคคลแต่ในขณะเดียวกันสาธุชนทั้งหลายหรือบุคคลพวกใครธรรมทั้งหลายสามารถที่จะตรวจสอบดูสังโยชน์ตรงต้นจะลดน้อยถอยลงจางลงบรรเทาลงคลายลงลดความรุนแรงลงนั่นคืออาการลดของกิเลสก็คืออาการเพิ่มของกุศล ก็เกิดการกระทำที่เป็นบุญมากยิ่งขึ้นทำให้ตัวเองใกล้บัพต์ผลนิพพานมากขึ้นแล้วก็บางครั้งจะมั่นใจพ่เราไม่ต้องตกนรกคือไม่ต้องกลัวต่อประโลกได้แต่ตอนนี้ทั้งนั้นปริมาณของธรรมะจะต้องมีมากพอที่จะให้ความมั่นใจในระดับนี้ได้ผลทั้งหลายจะเกิดขึ้นในระดับใดก็ตามเป็นเรื่องปัจจัยตาง ที่บุคคลเหล่านั้นจะสามารถรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองเป็นประการสำคัญต่อแต่นี้ไปพอให้ตั้งใจต้างความสงบสืบต่อไป